มี็นอย่างนี้ความเดือดร้อนของผู้หิุดทำชั่วผู้หีุดทำดีหรอไปสถานที่ใดจะเดือดร้ายสบายใจไม่คิดว่าบุคคลผู้นั้นเขาจะจับกลุมคุมตนไปติดคุก้อติ ด, ตด ป, ปรางก็เดือดบ้าเราไม่เคยทําชั่วไปสถานที่ใดมืคณะใบนี้เชื่อใจเข่ดเช่นให้รับประทานอาหารนี้งให้ที่เมื่อที่นอน อย่างสะดวกสบายนี่เพราะความดีในปัจจุบันทันตาที่พวกเราเห็นกันง่ายๆอยากเข้าใจแบบความดีหมดไปลแล้วความขี้ขดหมดไปแลวความดีความช่ ว, ว, วขวยังเ ต, ต็มสมุูอยู่ในโลกโเกิดนั่นทช็คบ้านเุกคคนเพีย ง, ง, ง, งแต่ทำบำเน็ความดีเมื่อเราตัถนะเ้นดีต้องสร้างเอาทางความดี ความดีจึงสนองตอบแทนเาได้ถึงฉลาป่าถาเอาตัวตากล้กแต่ทำบาเพนไม่แต่ตทบำท บ, บาเพนอยากได้แต่ความดีแต่ไม่ทมความดีความดีตอสนองจิตใจของเราไม่ได้เห น, นั้นการแต่ทำจึงเป็นเหตุสำคัญปาถาอย่างไรเมื่อทาไปอย่างนั้นจะสงหวังเข้าตน เหมือนกันแต่บุคคลดาถนะผลละเมอต่างๆนำพืชพรรณผลละเมอเหล่านั้นเมืาปลูกไว้ในสวนของตนผลละเมอเหล่านั้นก็จะต้องเกิดบบบอบกผลได้รับตางทางป่งาเถื่อนของตนนี่แหละการกระทำบุญกุศลก็ทาการกระทำบาเพ็ญเอาในเมื่อชีวิตของเรายังเป็นอยู่เมื่อตายไปแล้วใครจะ จะทำบาเพ็ญให้หรือไม่จะทำบาเพ็ญให้เราก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจอะไรเพราะเดี๋ยว่าเราจะ ท, ำำทํทาบําเพ็ญเป็นตามจามาตของเราแล้วเหมือนกันกับเรากินข้าวเรารับประทานอาหารเมื่อเรากินอิ่มแล้วรับประทานอิ่มแล้วเขาจะยกยกสหรับออกจากหน้าของเราไปเราก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจเพราะเราอิม่มถ้าหาเรากําลังกินอยู่หรือเรายังไม่ได้กินกําลังเหิวอยู่เขามายกสํำรับออก จากหน้าของเราไปไม่ให้เรารับประทานในอาหารกินเราก็เสียใจขึ้นชั้นใดชีวิตของเราที่ได้แต่ทำบำําเพ็ญคุณงามความดีไว้ถึงแ ม, ม้มรณะไภัยคือความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่เสียใจเพราะเหตุบ้างคุณงามความดีที่เราสร้างสมเอาไว้เพียงพอบอริบูรณอยู่แล้วหากเราไม่ได้จะทำำําบําเพ็ญคุณงามความดีอะไรเกิดเ ม, มืาหัวมา ต่อฟันแ่เรื่องนันอื่นมาเดี๋วีวิตที่จะราวนาถึงคุณงามความดีต่อมรณะไทายมาพาดชีวิตของเราไปอย่างนี้เราก็อเกเสียใจเพราะเราไม่มีสิ่งที่อาศัยคือคุณงามความดีต่อไปในทศข้างหน้าเหตุนั้นจึงขอทุกท่านทุกคนพากันพยายามติดตามสั่งสมอบรมคุณงามความดีตามหน้าที่อของตน อย่าไปืิอว่าเรายังเป็นผูนเล็กเด็กแดงอยู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตอนเมื่อเท่าแก่เชื่อกรยิ่งคอยแต่ทําบําเพ็ญที่เท่าผู้แก่มาแล้วก็ใส่ร่าเหงื่อไว้เชื้อกรยอนี้ยังทุกยังเป็นอยู่ใต่มีเงินมีทางเสียงพอบริบูรเ์เชื้อกรยิงจะทำเป็นงามความดีความชิดชนิดนี้อาจเกิดาด่าไปได้เพราความตายเป็นของ แนนอนและไม่บอกปานบอกเวลาว่าระยะใดเราจะจารางอันนี้ไปเหตุนั้นจึงขอทุกท่านทุกคนเมื่อได้เหรืยบถึงชีวิตของตนยังมีอยู่นีเป็นงานความดีของเราทื่ควรจะจะทำบำเพ็ญเอาได้อย่าปยตาละเลยจะทำบำเพ็ญเอาเียในเหนือเราละเลิกเือสินบาน เป็นานทำดีผู้น้อยทำก็เป็นของผู้น้ใหญ่ทำก็เป็นของผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวไปไม่สาทะนะดิดามานดาจะทำให้ลูกก็ไม่ได้ลูกจะทำให้ดิดามานดาก็ไม่ได้เป็นของจาเป็นเหมือนกันกับการลับประทานอาหารล่กรับประทานจะยิ่มถึงพ่อถึงแม่ก็ไม่ได้พ่อแม่รับประทานจะยิ่มถึงลูกก็ไม่ได้ทานเฉียดใช้ได้ป่วยก็เหมือนกัน พ่อแม่ไข้ป่วยลูกเป็นเทศจะไปหยิบยกออกจากไข้จากแม่ลูกไข้ไข้เกิดเป็นนั้นจะได้บาๆไปก่อหยิบยกออกไม่ได้ลูกเกิดไข่ก็เหมือนกันเกิดนั้นเรื่องบุญเรื่องผู้สนก็เป็นของสัตะตนของตนอย่างนั้นสาเหตุนั้นขอทุกท่านทุกคนโรงสนใจแต่ทำบำเพ็ญเรื่องบุญเรื่องผู้สนให้เกิดให้มีสุ่งในเปนฝองตนต่อแต่นั้นไป าการกระทำดำเพลิคุณงามความดีของทุกท่านก็จะมีความสุขสบายใจในอว า, าสารตางแสดงคำเพราะอำนาจบุญกุศลและคุณชัาศีรับหนาา้าใจจงคุ้มครองสร้างศกสิทธิขันทา ย, ยกอุบายสุอุบาที่ตายให้ประสบ บ, บ, บ๊อบแต่ทามสุขความเจริญปาชนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสมความมุ่งหมายสุกต่การในอัตมาภาพว่าไปทาน รทมาเามาตวเห็นบ่าต้งควรกัวเวลาเวลาตัวมีเรื่ตวตาราศงนี้วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึง่งซึ่งทางศาสนาถือว่าวันอาสาฬหบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจาจากสภาวะสูตรแก่พวก ปันจักวัตสีนัาแต่พระพุทธเจ <c oughs> ้าพระองค์ต ร, รัสรู้มายังไม่เคยแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ใดใครคุณหนึ่งในระยะตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ยังสงสัยสัพพัสส์ว่าจะมีคนรู้คนเข้าใจในธรรมที่ท่านตรัสรู้หรือไม่พิจารณาไปพิจารณามา เห็นว่าสัพพสัตว์ในโลกมีวาสนาต่างกัน่านจริงเทียบกับเรื่องดอก บ, บัวทีเราดอก บ, บัวบางอย่างคนจากน้ำคอยแต่ แ, ตแสงทาตาจิตเท่านั้นพอถูกแสงทาตาจิตกระแยกบานออกทีเดียวดอกบัวบางอย่างกำลังจะโผล่ขึ้นจากน้ำวันสองวันข้างหน้า โผขึ้นได้เราบวบางอย่างยังอยู่ ล, ยลึกเราบวบางอย่างอีกอยังอยู่ในเลนในตมมนุษย์เราพระพุทธเจ้าขอาใจชัดเจนเห็นไปจากอย่างนั้นแทนที่เราอุคติปัญญาวิติปัญญ น, นยาบุคคลและปราชาประมะคือบุคคลที่มีวาสนาสูง สร้ารสมโอรมคุณงานความดีมาแต่ไม่สามารถแต่ตัทรเรื่องของคำโดยตนเองได้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าแนะนให้เพียงคำ้องคำ ร, รู้รมเห็นคำเกิดขึ้นอย่างพระสายบุตรพอได้ยินคำจากพระอัตาสิท่านพูดนิดหน่อยเพียงไม่กี่คำเท่านั้น ภาาที่บทตัวรู้ทำพอใจทำได้ภาษาที่บทมาพูดให้โมฆะพลาเห็นเป็นเกื่อนของเขาฟังถ้าโมฆะพลาตัรู้ทำเห็นทำขึ้นได้มีเรียวกว่าพวกที่ถ้าเป็นดอกบัวก็โผลจากน้ําพ้นจากน้ำํำยังประสบแสงพรอาทิตย์เท่านั้นก็แยมบานออกทีเดียวพวกนอกนั้นก็คอยวันคอยคืนอบรม แนะสอนกันไปหลายวันหลายเวลาในนานนักก็รู้ก็เข้าใจเรื่องของธรรมได้พวกต่อไปต้องอาศัยฝึกประวมนานนานเข้าพวกปัทปรามะพวกต่ำสุดก็เหลือวิสัยพระพุทธเจา้ามนทรงแนะสอนเสียเวลาถ้าเป็นบัวก็จะเป็นเหยื่อของปลาหรือเต่าเท่านั้น ในพวกเราท่านสมนึกกานกับสราบัตวนหรือกับพุทธบริษัทในสมัยทางก่อนเศษนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนสถา บ, บัตว์ที่ได้เลือกหาบุคคลเทียก่อนไม่ได้สอนขั่วไปอย่างครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันท่านเห็นอุปนิสัยของสัตว์สมควรที่จะรู้จะเข้าใจในธรรมได้ท่านถึงเศษเป็ด โปรไปแนะไปสอนการสอนของท่านจึงเม็ดผิดพ้าดพอสอนไปเข้าคนนั้นควจะได้รับประโยชน์จากคําสอนของพระ อ, องค์ไม่เหมือนพวกเราปัจจุบันทุกวันนี้เพราะผููเทศในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ไม่มียานพอจะอยังรู้ว่าบุคคลคนนี้ควรจะแนะสอนอย่างไรและจะเอาคาอะไรมาแนะสอนหรือสอนแล้วจะไม่ได ผลได้ประโยชน์อย่างไรไม่เข้าใจทางนั้นเจ็บนั้นการฟังธรรมการสอนธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ผลจึงน้อยเพราะไม่รู้จักว่าจะเอาธรรมอะไรไปสอนเหมือนกันกันกบว่าเพื่อที่ไม่รู้จักสมุทฐานของโรคจะวางยาอะไรให้โรคชนิดนี้โรคจึงจะเหียดหายจากตายของเขาไปได้ไม่รู้จักแล้วก็เอายาอันนั้นใส่เอายานี้ใส่ หลายจิ่งหลายอย่างบางรายก็เลยตายไปทนไม่ไหวบางรายก็ดีเพราะไปศพลาง <c oughs> เมื่อถูกกับแรงยาเขาถ่าภาษาแสบ <c oughs> นี่เหมือนกันการเน้นสอนเป็นอย่างนั้นเรื่องของพระพุทธเจ้าเน้นสอนปัญจวัคคีเห็นว่ามีอุปนิสัยใจคอพราที่จะสลัดรับฟังทำจากพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์จึงเสด็จมาสอน ขอสอนเข้าก็อสอนในวันนี้วันอาสาฬหาบูชาจึงถือว่าเป็นวันสำคัญที่พระรันาตนใจคือพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นครอบรัตนะในวันอาสาฬหาบูชาสอนธรรมจากกัปปวันตนสูตรที่พวกเราเคยสวดกันเคยสาธยายกัน แล้วตอนจบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือยังไม่จบดีอัญญาพลธัญะซึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีรู้เข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าประตาบตัวขึ้นความรู้ความเข้าใจของอัญญาพลธัญะถ้ามาแปลจากบาลีเป็นภาษาไทยของเรา ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมมีคามดับไปเป็นธรรมดาเราเคยจำกันมาและเคยรู้เคยเข้าใจว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีการดับพวกเราทั่วไปก็เคยาขคิดทีนี้ที่จะไนจะจรนะแต่จิตใจของพวกเราท่านจะตั้งมั่นหรือถอดถอนเห็นจริง ตามสิ่งเหล่านั้นยากแสนยากทางหากเห็นจริงตามเป็นจริงและเข้าใจจริงอย่างนั้นเมื่อเวลาพวกเราท่านถูกสิ่งสียรักที่หวงแหนจากไปจะไม่มีการเสียใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะเห็นวาการเกิดขึ้นแล้วก็มีการแปรปวนและแตกสลาย นี่นเป็นอย่างนั้นทั้งทั้งที่เรารู้เราเข้าใจเราเคยได้ยินได้ฟังเคยได้ยินที่ใจหนาพอถูหลูกรักหรือภรร ย, ยาสามีพ่อแม่ลมหายตายไปเกิดเสียอกเสียใจร้องให้หนนตาไหลได้ต่างๆนี่เพราะความไม่เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมแป่ดับไปเป็นธรรมดาว่าแต่ตา แต่ใจไม่เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าเห็นตามเป็นจริงจึิงทั่วไปจะเป็นของรักหรือของแม่รักก่อต่างมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการได้สัมผานและแตกตักไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าสิ่งใดทั่วไปในโลกเมื่อเราเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตย่อมปล่อยยอมวางในเมื่อเวลาถูกตัวของเราเข้าจริงจังความแตะเทียน ในจุดย่อมไม่มีนิจรงธรรมะสังเวชว่าจริงเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมแตกสลายเท่านั้นเราจียังไม่แตกสลายก็จะเหมือนกันกับสิ่งเหล่านั้นแต่คนผู้นั้นแน่นอนเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นไม่มีการเสีย อ, อกเสียใจเสีรยรำพันค์ข้เห็นตามเป็นจริงนี่เป็นประทมมาเทศนาขี่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนและผู้รู้ผู้เข้าใจ เหบื้องต้นของธรรมที่เป็นขยานของภาษาธรรดาทางหากรู้แต่พระองค์องค์เดียวเท่านั้นคนอื่นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจสาชนะก็ยังไม่สมบูรณ์คือยังไม่มีขยานหลักฐานอะไรนี่พอพระพุทธเจ้าจแสดงออกไปเรื่องธรรมะจักมีทันัญญาปนัญญะจึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีรู้ตามเห็นตา่างจึงขออุปสมบท คือขอบรรเทาตาพระพุทธองค์ก็ทรงอุปสมบทให้ท่านต่อมาเป็นระยะหลังๆพระองค์ก็สั่งสอนแนะนำพวกปัญจวัคคีเรื่องอนัตตะลัคนาสูตรเรือรูปเวทนาสัญญาสังขารบินญาทั้งห้านี้เป็นอนิจจังเหมือนยึดถือเป็นทุกขังและบอกในนอนสอนม่ได้เป็นอนัตตาพระองค์ ตรงแนะสอนพวกปัญจวัตคีพวกปัญจวัตคีที่นิพิจารณาตามปฏิบัติตามยึดค้นตามจิตใจขอดถอนอุปาทานตามยึดมั่นในขันเข้าใจชัดเจนเห็นประจัดเรื่องความหลุดลอยออกไปจากขาดจากขันของขันเหล่านั้นเจ uhm. นได้สาธสรูเจนอริยบุคคลเจนท่าอรหัดละหันห้าองค์นี่เป็นเรื่อง ศาสนาพุทธศาสนาเกิดขึ้นเบืองต้นพวกเราทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แนะนำถ้ำสอนอยู่บ่อยๆเรื่องเหล่านี้แต่พวกเราเพียงได้ยินได้ฟังแต่จิตใจใจอย่างรู้หรือถอดถอนอุปาทานปัญหาอริชาอย่างพวกปัญจวัคคี ยังไม่มียังไม่เต็มในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุนั้นการที่จะรู้จะเป็นจะเห็นได้ง่ายก็เพราะอาศัยบาลมีเก่าก่อนของท่านเหล่านั้นเชลโอมจะทําบําเพ็ญมาอย่างควนทัญญาพระหาตูดิสตําราท่นานเคยทาบุญสุนทานปร า, ร, ารถนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่ง ราถนาอย่ากจะรู้ทำกอนบุคคลทั่วไปให้ทานทำการสุบสนออไยให้ทานอย่างจริงอย่างจังผลที่สุดการศาถนาเอาไว้และสร้างใจสำหรัปฏิบัติคุณงามความดีมาเรื่องอุปนิสัยตักต้าเึ่นทุกวันทุกเวลาผลที่สุดมาพบชาพุทธศาสนาของสมณะโคดมบรมคูคือพระพุทธเจของเรา ปัจุบันนี้พอได้ยินธรรมะครรสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงแนะสอนเท่านั้นจึงรู้ธรรมก่อนเห็นธรรมก่อนเพื่อนทั่วไปคือป่าเถนาเอาไว้สมความเจตนาของท่านตื่นตั้งสมบรณมคุณงามควาดีนี่พวกเราทั่วไปก็ได้พากันตั้งอ์ตั้งใจสร้างคุณงามความดีตามกําลังคามสา ม, มารถของตนคือในวันนี้เราถือว่าเป็นวันสาคัญ พวกท่านก็ได้แพ่กันพยายามสละจิตการงานที่เคยจะทำบำเพ็ญเช้น้ น, นว่าเคยทำไรทำนาวันนี้ก็หยุด ก, ก่อยาในทำการทำงานส่วนนั้นอุตส่าห์พากันเข้าวัดเข้าวเข้ามาถวายอาหารพระบิณฑบาตและถ้าอาบน้าผลตลอดถึงสมาทานศีลและรักษาศีล ระดับรับฟังทำคำสั่งสอนตอนกลางคืนอีกนี่แหละาออการอบรมจิตใจด้วยการกระทำบาเพ็ญคุณงามความดีเราอย่าไปประมาทว่คุณงามความดีนิดหน่อยเล็กน้อยไม่เป็นของสำคัญเราทำขนาดนี้ใครเขาก็าทำได้อย่าไปประมาทคุณงามความดีอย่างนี้น เราทำลงไปด้วยใจบริสุทธิ์ของเราบุญกุศลย่ยอมเป็นผลขึ้นเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของพวกเราการจะทําคุณงามความดีบันดิตถั่วไปจึงตั้งใจแต่ทาบำเพ็ญจนถึงตว่าถึงที่สุดยิ่งมุดนิทานเมื่อใดตอนนั้นแหละจึงจะปล่อยวางคุณงามความดีได้ทาหาดยังไม่ถึงที่สุดยิมุดนิทท่องก็สร้างสม รวมคุณงามความดีตลอดมาพระพุทธเจ้าเวลาสาวเคยแต่ทำบำเพ็ญอย่างนั้นเกิดนั้นท่านผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวานาก็พากันเยยามจะททำบำเพ็ญคุณงามความดีส่วนนี้เอาไว้ความดีส่วนนี้ไม่จิตหายากระฐานที่ใดจะจิดตนตามตัวไปท่งผลจนถึงที่สุด อย่างพระอัญญากณัญญาหรือตัญจวัคคีย์ทั้งห้าเพราะชาตินี้เรายังไม่ได้เนี่ยถึงชาติ้างหน้าก็อุตสาห์พยายามสร้างสมบรณ์ให้ทวีคูณขึ้นหลายช่างหลายปีหลายปีหลายเดือนเจ็บหอมร้องลิบไม่หยุดไม่ถอยถึงจะได้มาทีนิดทีหน่อยเมื่อหลายช่างหลายหนเขา้าก็มากมา ย, ายตายกองซึ่งเอง ของใหญ่จะต้องมาจากของน้อยเยราจึงไม่ควรประมาทว่าของนิดหน่อยจะมไม่ผลเสียตนข่องตนพระพุทธเจ้าไม่เห็นประมาทในบุญในกุศลอย่างนั้นการคือทค ท, ทานการกุศลอย่างการถวายผ้าอาบน้าฝนบางท่านบางคนก็จะไม่รู้จักว่าการถวายผ้าอาบน้าฝนนีน่เป็นอย่างไรอันนี้สงท้องการถวายผ้าอาบน้าฝน วันนี้จะอธิบายให้พวกท่านฟังสักนิดหน่อยผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจจะได้จดจำนำไปเล่าสู่ลูกหลานทั้งตนฟังสมัยพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละในกาลหนึ่งสิ่งพระพุทธเจ้ามีสาวกมากขึ้นยังไม่มีบุคคลผู้ดใดใครผู้หนึ่งนำผ้าอาบน้ำไปถวายพระ วันนั the the er. the the the the the the ้นนางวิสาขาอุบาสิตาเข้าไปวัดเพือเอื้องเตยศึกษาหาลือฟังเสตฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอเสร็จจากการจะดบลับฟังฝนก็ตกกันใหญ่พอฝนตกหนักเท่านางกาะลงจากพระพันทัศกุลีของพระพุทธเจ้ามาพระที่สุส่งในวัดว่า ที่พระพุทธเจ้าอยู่ไม่มีบุคคลผู้ใดในที่สูงองค์ใดสามเณรองค์ใดมีท่าอาบน้ำฝนพอฝนตกค่อนนึกอย า, อากอาบน้ำก็ท่าออกโดยตายลงอาบน้ำฝนตามตายตาจิตนางเห็นแล้วสยดสยองเอา้าที่สูงสามเณรทำไมทำอย่างนี้คิดในอกในใจว่าการที่ทำทำอย่างนี้คงไม่มีท่าอาบน้ำฝนแน่ นางคิดแล้วก็เลยถอาไปถอดฝนตกหายถอาไปสู่บ้านของนางแล้วตอนจัดท้าอาบน้ำฝนตามตํำรับตําราบอกว่าถึงพันห้ารอยศออกมากราบทูลพระพุทธเจ้าอยากจะถวายท่าอาบนา้ำฝนพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตาพอพระองค์ทรงอนุญา ต, าญาตให้พระที่สู่สามเณ น, นมีถ้ถาดน้ำฝนมาตอนนั้น ถึงฤดูฝนถึงฤ ด, ดูจำพรรษาพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติให้พระพิสุสาเมเณรแสวงหาธาตน้ำฝนตามสถานที่ต่างๆนับตั้งแต่เดือนเจ็ดแลมค่ำหนึ่งเลื่อยมาหาธาตน้ำฝนในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ญาติโยมพี่น้องทั่วไปมีจิตศรัทธารู้จักว่าหน้านี้เป็นตามเป็นเวลาถวาย า, าน้ำฝน ทิศตูสามเ น, นทั่วไปในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ที่เคยผ่านไม่เคยมีทิศตุสามเณรรูปไหนไปแสวงหาธาธาอาบน้ำฝนเพราะพวกท่านพุทธศาสนิกคนถือพระพุทธศาสนานำมาถอยให้ได้ในลาบากยากเย็นในการแสวงหาธาอาบน้ำฝนมีฐาอาบน้ำฝนกันทั่วไป คือเป็นทิศ <c> ส <oughs> ุทามแม่เนรคือยู่ในวัดเม่าแล้วเมื่อนางฉว ái ถานางฝนได้อย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติให้แสวงหาถานางฝนอย่างนั้นท่านถึงวันเดือนเปิดขึ้นข่ำหนึ่งก็ให้อธิษฐานทำนุ่งทําผมได้ทางหาดแสวงหาหรือทำนุ่งผมผิดเวลาท่านก็จับอาบัติอกยังมีการจับอาบัติเสวทิศสุสง์ ผู้แสวงหาใานใจการในใ่เวลานรือทำหนุ่ก่อนเดือน8ปขึ้นขั้หนึ่งจะได้มาในเดือนเจ็ดจะทำในเดือนเจ็ดทำเียนถ่านน้ำฝนข้าองค์ปรับโทษของพิสุขถูดละเมอดอย่างนี้นตั้งแต่นั้นมาเรื่องการถาวายผ่าบาน้ำฝนมีประจํามาตั้งแต่พุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้